ไม่ยังจิตให้ใคลายกำหนัดในโลภะยังละโลภะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ทาไม่ละโลภะก็ไม่ควรพ้นทุกข์นะดูกัอนพิสูจทั้งหลายส่วนพิสูรู้ยิ่งกำหนดรู้โลภะยังจิตให้ใคลายกำหนัดในโลภะนั้นละโลภะนั้นได้เด็ดขาดเป็นผู้ควรเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วผ์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า ชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกคติแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในกาลไหนๆ น, นะครับที่จริงแล้วโดยอัฏฐโดยใจความไม่ต่างจากโลภสุดแรกที่กล่าวไปแล้วนะครับโดยอัฏฐนะแต่เทศนาวิราชของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะใช้บางคนต้องใช้คาว่า เพิ่มคำว่ารู้ยิ่งด้วยใช้คำว่ากำหนดรู้ด้วยหรือว่าต้องใช้คำว่ายังจิตให้คลายกำหนัดด้วยเข้าจึงจะเข้าใจชัดแต่ถ้า ต, ตั้งแต่สู่แรกในใช้คำว่าละนี่เขาเข้าใจทันทีเลยนะครับว่าปะหาหนะเป็นยังไงะปะหาหนะมีกี่ระดับกี่ขั้นกี่ตอนเข้าฟังและเข้าใจเลย อันพระ อ, องค์ก็ตรัดตามอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วก็ความที่พระ อ, องค์เป็นพระสัพธรรมราชานะครับโยกย้ายพระธรรมคำสอนได้โดยที่ไม่ขัดกับหลักอริยสัจธรรม